พระบัญญัติ270ก็ภิกษุใดให้ของเคี้ยวหรือของฉันแก่อาเจลกะปริภาชกหรือปริภาชิกาด้วยมือตนต้องอบัติปาจิตตีเรื่องพระอา น, นต์จบ